วิปัสนาไปว่ารู้แจ้งรู้จริงหรือเห็นแจ้งเห็นจริงว่าย่างไงดังนั้นการเห็นแจ้งเห็นจริงรู้แจ้งรู้จริงนั้นเป็นเพียงตำลาพูดมาเท่านั้นวิธีที่ผมพูดนี้ใครจะพูดอย่างไรก็าตามผมเสื่อมั่นในใจตัวเองว่าทิฏฐิคือข่มเห็นข่มเห็นผมเข้าใจอย่างนี้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 พระพุทธเจ้าก็เลยพูดกับพระวระกลิกว่าแต่ตอนที่บันามให้พระวระกลิกหนีนี่ไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควรพระพุทธเจ้าพูดกับพระวระกลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายชีวรของเราอยู่คงไม่เห็น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 เห็นลูกกายกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนกำลังทากำลังพูดกำลังคิดความเห็นของผมเข้าใจไปในทานองนี้ดังนั้นจวิวะเห็นความคิดตัวเองนี่แหละคือเห็นทรรมส่วนลึกเข้าไปทีแรกก็ต้องเห็นการเคลื่อนไหวของลูกกายเป็นสันเปือยๆคนอื่นมองเห็นได้เส้น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 ถ้าจะนั่งหลับตาถ้ามีทองคําอยู่ประมาณกีิโลก็ตามสองกิโลก็ตามเอามาไว้ที่ตรงหน้าเราเราหลับตา<อ>เมื่อคนมาเอาทองคําเราไม่เห็นทองคํานั้นโดยหายไปถามเด็กๆ เ, เขาว่าทองคําหายไปนี่เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นโทษเขา่าอย่างนั้นถ้าเป็นโทษเราจะทําไปเพื่ออะไรการนั่งหลับตา ก็เลยพูดเด็กๆเขาก็รู้แต่พ่อเขาเคยทำกรรมฐานนั่งหลับตามากับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แต่ไม่ต้องพูดเรื่องอาจารย์พูดให้เขาเขาก็เลยรู้เรื่องเพราะลูกเขาก็รู้การ น, นั่งหลับตานันใช้ประโยชน์ได้น้อยมันไม่ได้มากเขาก็เลยพูดขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่าถ้าหากว่าจะริ่มนิพพานแล้วไม่ต้องมีตัวมีตนไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียดายเขาว่าอย่างนั้น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 เมื่อพูดไปหลายเรื่องเขาก็เลยเข้าใจคาว่าวิปัสสนานั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งโดยเฉพาะวิปัสสนาเป่าการเห็นแจ้งรู้จริงที่รู้จำนั่นคือผมหรืออาตมาได้พูดให้ฟังว่าต้องดีมีสติมาดูความคิดตั้งตัวให้ดีมีสติมาดูความคิดอันนี้รู้จำ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 เข้าใจอันนี้ทราบซึ้งดีพอแล้วควมโกรธข่มโมลภข่มหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่เราทำบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาสิตก็ดีที่สุดเลยว่าจะเริศ น, นิพพนาก็ดีก็มีจุดหมายปลายทางจะมาทำลายควมหลงผิดคือจะมาปราบขวมโกรธข่มโมลภข่มหลงนี่เอง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 ต้นต่อของชีวิตเราต้องไม่หลงที่เกิดของความคิดหรือที่เกิดของจิตของใจเมื่อเรามาดูที่ตรงนี้จิตใจของทุกคนมันก็ไม่มีควมโกรธอยู่แล้วอันนี้ปนแปลคนสลัดดังนั้นความสงบนั้นจึงมีสองอย่างสงบแบบไม่รู้อันหนึ่งสงบแบบเขาแจ้งอันนึงอันนี้สงบจากโทสะโมหโลภะอันสงบแบบการเห็นแจ้งนี่ เพราะโทสะโมหะโลภะมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วอันนี้เป็นวิธีของผมเอามาใช้ในวิ่งของผมเองดังนั้นการเห็นธรรมก็คือเห็นตัวนี้เสมกับพุทธนบทหนึ่งว่าอตตาหิอตานโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้อันนี้จะให้คนอื่นทําแทนเราก็ไม่ได้เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้าน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 เรามีของให้คนใดก็ได้เลยอการทำบุญการทำบุญนั้นเรียอการทำดีเท่านั้นการทำดีเรียกาการทำบุญทำแล้วมันยังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่อันนั้นก็นยังไม่ถูกมากดังนั้นวิธีที่ผมพูดนี้ไม่ต้องทำบุญก็ได้หรือจะทำบุญก็ได้จะรักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้จะทำยังไงได้ทางนั้น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 มันไม่ใช่อย่างนั้นต้องฝึกขัดเกลี่ยไว้ก่อนเมื่อมีคำคนอื่นมาพูดให้เราเราต้องสู้ทันทีอันนี้แปลว่านักมวยต้องฝึกขัดไว้เมื่อขึ้นในเวทีต้องซกทันทีอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีคู่ต่อสู้มาพูดยุให้เราโกรธเราไม่ต้องโกรธเพราะเราเห็นสภาพความโกรธเป็นทุกข์หมือเห็นสมุฐานของความคิด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 มากเท่าทําให้จิตใจสงบครั้งเดียวทันว่าอย่างนั้นบัด น, นี้ทํำความสงบร้อยครั้งพันหุนก็ตามยังไม่มีอานิสงส์เท่าการเห็นแจ้งครั้งเดียวทันวันอย่างนั้นการเห็นแจ้งทําไมมีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากพก็พระพุทธเจ้าท่านก็ทํำความเห็นแจ้งความรู้จริงนี่เองอันนี้แหละมีอานิสงส์มากที่สุด อันรู้ความคิดเห็นความคิดเข้าใจความคิดนี่แหละมีอันนิสงมากบาปมากที่สุดบัดนี้คือคนลืมตัวคนไม่รู้คนไม่เข้าใจควมคิดนี่เองดังนั้นการทำบุญขอตามรักษาสิ่งขอตามจะเลวิปัสนาขอตามถ้าหากว่าเราไม่มาทำความเห็นแจ้งความรู้จริงต้นตอของความคิดนี้ มันก็ยังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาทำาขามเห็นแจ้งขมรู้จริงอันนี้แหละมันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนามีเงินก็ทำได้ไม่มีเงินก็ทำได้เด็กผู้ใหญ่ทำได้ทำนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทำอันนี้ทำไปกับการกับงานทุกแบบได้ไม่ใช้ว่าจะเป็นนั้นอยู่ที่เดียวทำ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 เมื่อเราทำคนให้แจ้งอย่างนี้ทกุก็ไม่มีเมื่อทุกไม่มีก็เหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้านั่นเองเดี๋ยวนี้หลักษณะเดี๋ยวนี้ที่ท่านทางไหนฟังผมพูดหรืออาจจะมาพูดอยู่ในขณะนี้ใจิตใจของทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มันไม่มีความหลงอันนี้แหละเรียกว่าอุเป ข, ขาหวางเสยไม่สามารถเป็นนั่งอยู่แล้ว คนมาเอาเงินเอาทองก็วางเสยอันนั้นพูดเอาเองถ้าหากว่าเราวางเสยแล้วไม่ต้องไปหาเงินอีกแล้วไม่ต้องไปหาเพื่อหาผ้ามานุ่งอีกแล้วก็ต้องวางเสยชะกก็ต้องไม่กินข้าวชัวางเสยอย่างนั้นสะอันนั้นมันพูดเอาเองถ้าหากพูดตามความจริงแลจิตใจหรือซิลิของเราเนี่ยมันเป็นปกติอย่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยท่านมีความทุกข์หม ผมเข้าใจว่าไม่มีความทุกข์ท่านมีความทุกข์ไหมถ้าจะพูดคนที่พูดกันไม่รู้เรื่องว่ามีความทุกข์อันนี้หลักธณันี้แหละมันไม่ใช่ทุกข์มันไม่ใช่สุขเรียก ว, ว่าจิตใจของตุวคนนั้นมันมีอุเปขาทําทอันนี้แหละมันมีมากกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาค้นพบอันนี้แหละเรียก ว, ว่าธรรมที่ทําให้พระพุทธเจ้านั้น<ส>มีมากกว่าพระพุทธเจ้ากานตัดตะลลุของพระพุทธเจ้านี่ยชือ่อว่า มารู้มาเห็นมาเข้าใจอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธะพุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมตามธรรมชาติของจิตของใจแล้วมันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภจิตใจคนนั้นมันมีความสะอาดมันมีความสว่างมันมีความสงบอยู่แล้วที่มันไม่สะอาดที่มันไม่สวา่างที่มันไม่สงบนั้นมันไม่ใดเป็นตัวชีวิต มันจิตใจที่มันปลากุด้ยว่าสังขารดังนั้นขอให้เราทุกคนทุกคนจงมาดูที่จิตใจดูลงไปให้เห็นจิตใจที่มันสะอาดมันสว่างมันสงบเดี๋ยวนี้นี่แหละท่านนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละมันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มีความหลงเรียกว่าจิตใจสะอาดคาว่าสว่างก็หมายถึงการเห็นแจ้งคาว่าสงบก็หมายถึงว่าหยุดแล้ว ไม่มีข่มโกรธไม่มีข่มโลภไม่มีข่มหลงอันนี้แหละจิตใจของภาเนียบุคคลแต่จิตอันนี้มันก็มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นแม้ที่สุดมีถึงสัจจะสารแต่สัจจะสาร น, นั่นมันไม่มีปัญญามันไม่สามารถที่จะไปใช้ได้คนเราทุกคนต้องมีปัญญาเอาไปใช้กับสิริของเราได้ทุกคนดังนั้นผมได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเป็นีนจิตตะจิตใปฝึกเราทุกคนให้เขา้าใจอย่างนี้ เมื่อเราทุกคนเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระก็ได้พระแปลคุปสเดชทิสู่แปลคูปเห็นไทยเห็นอันนี้แหละคือเห็นมันไม่ให้ข่มโกรธไม่ให้ข่มโลภไม่ให้ข่มหลงไม่ให้ข่มมืดมาเกิดขึ้นที่จิตใจของเรากระทอนี้เองหลักพุทธศาสนาสอนแค่นี้ความจริงเลอันนี้ที่ผมนํามาเล่าสู่ฟังวันนี้แต่คอยระวังที่เราจะเห็นผิดตอนนั้นเอง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 หรือคนใดได้ปฏิบัติวิปัสนาได้ปฏิบัติสรรมฐานนั้นมีซื่อเสียงมีเปรียดมียศจำเป็นต้องมีสํานักสอนวิปัสสนากันมากการเจริญวิปัสสนาก็ตามจเจริญสมถกรรมฐานก็ตามมันต้องมีอุปสรรคข้อของดีอยู่ที่ไหนของเลวร้ายก็อยู่ที่นั้น เหมือน ก, นกันกับบุคคลที่มีเงินมีข้าวของมากผู้ลายขโมยต้องพยายามดุล้ายอยู่อย่างนั้นเเพราะเขาต้องการสิ่งที่คนนั้นมีหรือของดีกับบุคคลนั้นการเจริญวิปัสนาหรือเจริญกรรมฐานก็ตามจึงมีอุปสรรคเราเคยดูหนังสือว่ามีวิปัสณูมีวิปลา แต่กินตะยานนั้นผมดูหนงังสือไม่ค่อยเหมือน <c oughs> ดังนั้นการเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนานี้จึงเป็นอุปสรรคคือวิปัสนูข้อแรกข้อที่สองเดียกว่ากินตะยานข้อที่สามเรียกว่าวิปะหลด <c oughs> เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ก็ต้องทา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 แต่คนที่สอนนั้นบางทีอาจจะไม่รู้ความสมงบคำว่าความสงบนั้นเด็กๆ ก, ก็พูดได้คนแก่ก็พูดได้พระพิสุสมมเนรพูดได้ทั้งนั้นเพราะว่ารสชาติคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือความสงบเกิดมาร้อยวันพันปีหากว่าเราไม่ได้รับความสงบชีวิตอันนั้นก็เป็นหมันอันนี้ใครๆก็พูดได้ เพราะมันมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ช่วยจำแล้วก็นํามาสอนกันอันนี้ดังนั้นพวกที่ทำกรรมฐานก็ตามทำวิปัสสนาก็ตามสติไม่ค่อยปกติเพราะว่าเราต้องการสิ่งที่มันเป็นปกติเราเกิบเลยไปทำสิ่งที่มันไม่เป็นปกติเราต้องการความสงบเราเก็เลยไปสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา อันนี้เรียกว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองความสงบน่นจริงมีอยู่สองแบบหรือสองอย่างด้วยกันสงบแบบหนึ่งนั้นสงบแบบไม่รู้อะไรคิดไปก็ไม่รู้ผมมีคนมาถามบ่อยๆถามต้นส่วนปายไม่ได้แล้วเขาก็ยังว่าเขามีสติอยู่นั่นเองอันสติสมปรชนะัญญาหรือสติคมลลึกได้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 ที่ผมจะอุปมาให้ฟังในวันนี้เหมือนกับเราไปขุดบอ่อน้ําเมื่อเราขุดบอ่อน้ําไปเจอสายน้ำเข้ามาน้ําข้างในในลูมันมันต้องออกมาตามหน้าที่ของมันแต่น้ําออกมานั้นน้ํามันสะอาดอยู่แล้วตมเลนมันมีอยู่ในบอ่อในหลุมนั้นเมื่อน้ําออกมาสะสมกันเข้าป่าปนกันเข้าเราก็เลยว่าน้ํานั้นสกปรก ความจริงแล้วน้ํานั้นมันไม่ได้สปกปรกมันเป็นตมเป็นเลนอันมันทําสกปรกนั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราไม่เข้าใจคือเราไปเข้าใจกับตาราเราไม่ได้เข้าใจความจริงไปปฏิบัติมันก็เลยต้องการควาสงบบันนี้เมื่อเรากดบอ่อน้ําลงไปแล้วเมื่อไปถึงน้ำํำเราก็มีวิธีมีขันหรือมีโอหรือมีอะไรก็ตามนะสมมุติพูดเราก็จับน้ํานั้นออก ตักตมตักเลนนั่นออกตักข้างหมดเลยตักออกตักออกตักออกตักออกพอได้ตักไปหมดน้ําข้างในมันไหลออกมามันไหลออกมาแล้วบั น, นีดมันก็เต็มบ่อมือเราก็กวนเข้าอันนี้เรียกว่าคนกวนเข้ากวนเข้าให้น้ํา น, นั้นล้างตมล้างเลนที่มันสกปรกอยู่ในบ่อนั้นมันก็ทําคนสะอาดทีละนิดทีละหน่อยเข้าไป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 มีปัญญามาคอยดูกรมคิดเหมือนแมวกับหนูเนี่ยพ อ, ด, อ, อ, อดีหนูออกมาแมวต้องจับหนูออกมาแมวต้องจับออกมาที่ได้จับทีนั้น <c oughs> เหมือนกับขุดบอ่อน้ํานี่แหละเราไม่ต้องไปอัดลูน้ําให้มันออกมาน้ํามันยิ่งออกมาเราก็ยิ่งโอนปากบอ่อได้ดีเราล้าง เราล้างฝากบ่อออกไปเมื่อล้างออกไปหลายครั้งหลายหนต้มเลนหรือสิ่งที่สุกปรกอยู่ในบ่อนั้นมันก็หมดไปน้ําสะอาดทางไหนมันออกมาเต็มบ่อแล้วน้ําก็เลยไม่สุปกปรกน้ําก็เลยสะอาดอันนี้ก็เหมือนกันเราดูความคิดของเราเนี่ดูให้รู้จักให้เห็นแจ้งให้รู้จริงไม่ใช่จะรู้จักจํามาจากก ต, ตำลับตานาแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้น ดังนั้นผมจึงจะนําเรื่องนิปัสานูมาเล่าสู่ฟังคนไปนั่งทำกรรมาฐานต้องการความสงบเมื่อมีปัญญาสนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเพียงเล็กเล็เล็น้อยบางทีอาจจะไม่รู้ของจริงก็ได้มันเลยเกิดปัญญาสนิดหนึ่งมันต้องการพูดต้องการคุยให้มันรู้ไปกับตำรับตาราแต่มันไม่เคยดูจิตดูใจ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 มาเข้ากับตุมกับเลนเนี่ยมันสกปกอันนั้นเรียกว่าความสกปรกเรียกว่ามนทินอันนี้แหละเป็นความทุกข์เรียกว่าเป็นบาปเป็นกรรมทาบุญก็เป็นบุญน้อยบางที่อาจจะไม่เป็นบุญก็ได้เพราะมันเป็นทุกข์เพราะท่านพุทธู้สอนว่ามนทินบ้างสกปรกบ้างจิตไม่สะอาดจิตเศร้าหมองบ้างแล้วจะจะพูดยังไงเพราะเรื่องสมมุติเท่านั้นเราต้องศึกษาให้รู้แจ้งรู้จริง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 สัมมาทิฏฐินั้นทันว่าเป็นความเห็นอันถูกต้องเมื่อเราเห็นถูกต้องเราเดินไปก็ต้องถึงก็ต้องรู้แต่คนเป็นนิพพาน ไ, ไม่เคยดูคิดใจไม่เคยดูความคิดความคิดมันคิดพู่ออกมาไม่เห็นมันไปเห็นความรู้มันไปคิดความรู้อันนี้แหละถูกต้องอันนี้แหละความสุขมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผมจึงเลยพูดบ่อยๆเลยสุขแบบหนอนไม่ใช่เราสุขแบบที่ เป็นคนมีปัญญานอนมันเคยอยู่กับกองอุจจาระเคยอยู่ที่สปกปรกที่ไหนสปกปรกแมงวันมันไปตอมเมื่อแมงวันไปตอมแมงวันมันเรียกว่าที่บ้านผมเรียกว่าที่ไขขางที่แมงวันนั่นเนี่ยเกิดเป็นตัวนอนขึ้นมาเราจะเอานอนนั้นออกจากที่สกปรกนั้นมันไม่อยอมออกเพราะนอนมันชอบสิ่งที่สปกปรกดังนั้นคนเป็นวิพพสนุกุสสาม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 คำว่าถูกน้อยเนี่ยแต่มันไม่ถึงร้อยเปอรมันจะสมบูรณ์ไหมมันไม่สมบูรณ์สมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งหลับตาอย่างเดียวสมาธินั้นท่านหมายถึงกว่วงกว้างคือตั้งใจทำการทำงานการงานอะไรมีต้องทำให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยหรือสมาธิคือดูตัวเองการทำการพูด หรือสมาธิคือดูชีวิตจิตใจตัวเองชีวิตของคนทุกคนนั้นมันไม่มีความเดือดร้อนมันมีความสงบอยู่แล้วไม่ใช่ตั้งแต่คนนะสัตว์เดยสารก็มีอย่างนี้อันตัวสมาธินั้นมันมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงก็ได้ตัวสมาธิคือตั้งใจสมมุติเราทานอาหารก็ต้องตั้งใจทานอาหารเราต้องรู้จักอาหารสิ่งนี้ จะเป็นพิษแก่ร่างกายเราเราก็ต้องรู้สิ่งนี้เราทานอาหารลงไปแล้วมันจะทําประโยชน์ให้แก่ร่างกายเราเราก็ต้องรู้อันนี้เรียกว่าสมาธิคือคนตั้งใจจะไปไหนมาไหนไม่ชนหลักทนต่อไม่ลงคูลงคลองอันนั้นเดี๋ยวคนมีสติแต่สติแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นสติแบบที่เราทําความเห็นแก้ง สติแบบกลมเห็นแจ้งมันอีกเรื่องหนึ่งกลมเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นตัวชีวิตของเรานี่เองชีวิตของเรานี่มันสงบมันไม่เดือดร้อนมันไม่มีทุกข์หรือจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันไม่ชอบความทุกข์มันชอบความสงบท่านโพลุก็เลยกล่าวเอาไว้ในสำหรับรํานาหรือตัวหนังสือมีเอาไ ว, ว้ว่าจิตใจของคนมันมีความสะอาดสว่าญสงบต่างคนก็พูดอย่างนี้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 บุรุษบุรุษคขาว่าโมฆะบุรุษผู <c oughs> ้ชายเขาเรียกว่าโมฆะบุรุษถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้เราก็ต้องหามาพูดอีกว่าสตีบุรุษไว้อย่างนั้นก็ได้คําว่าบุรุษเราเรียกผู้ชายคําว่าสตีก็เรียกผู้หญิงเอาว่าโมฆะก็แปลว่าใส่ไม่ได้ผู้หญิงเป็นอย่างนั้นก็ใส่ไม่ได้ ผู้ชายเป็นยังไงผู้ชามาได้เดีย ว, วโมฆะบุรุษโมฆะสตีดังนั้นให้พวกเราได้ศึกษาให้เข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเราทั้งหลายศึกษาไม่ถูกต้องก็เรียกว่ามนทินสกบกนึกจิตใจเศร้าหมองมันเป็นทุกข์เราก็แก้กันไม่ได้อันนี้วิปลาสผมเคยเจอมาหลายคนพูดได้วิธีที่จะแก้เขาต้องมีอย่างที่ ครูมาอาจารย์เคยพูดว่าไส้ต้องมีน้ำมันต้องมีหมักหลอดต้องมีไม่ขีดต้องมีต้องขันปุ๊บจุดปั๊บสว่างทันทีอันนี้ก็ถึงพร้อมแล้วเราทํามาแล้วคําว่าหมักหลอดต้องมีตะเกียงต้องมีไส้ต้องมีน้ํามันต้องมีไม่ขีดต้องมี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 เห็นลูกแก้วเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรต่างๆขี้ประทัดแล้วแต่มันจะเห็นอันนั้นไม่อื่นไก่จิตใจของเราเนี่เองมันวูบออกไปเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจบางทีตัวเราเนี่ยผมต้องการอยากหายตัวได้มผมเป็นอย่างนั้นผมไปเจริญลิตรศสนาไปเจริญธรรมทานเพราะผมอยากมีฤทธิ์อยากมีเดชเนี่ยอยากหายตัวได้อยากเหาะได้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 ที่ผมนำมาแล้วมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเรา <c oughs> วิธีที่แก้มันก็มีครับมีวิธีที่จะแก้เราจะทำอย่างไรเราต้องทำความเข้าใจกับบุคคลที่กำลังเป็นให้เขาพูดให้ฟังเขาเป็นอย่างไรเราต้องฟังฟังคำพูดเขาก็รู้เมื่อเขาพูดออกมาแล้วก็ต้องจับได้จับคำพูดที่มันหลงผิดมันหลงผิดในขณะเมื่อเราเป็นอย่างนั้น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 มันเข้าใจกับตัวหนังสือที่ผมพูดนี่ผมรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็ทำไมรับรองได้เพผมเป็นเด็กไปนอนนากับพ่อผมพ่อผมเราให้ฟังไม่ต้องพูดมากตอนนี้พูดน้อยๆเพราะผมพูดมาหลายครั้งหลายโหนแล้ว <c oughs> สองพี่น้องไปเลี้ยงควายนี่ว่าป้อยควายออกจากพ่อไปทีแรกก็ต้อนให้มันไปกินหญ้า มันก็ไปกินยาไปเรื่อยไปเรื่อยไปตกเย็นมันก็ต้อนกลวยมาต้อนกลวยเข้ามาจะมาพูกมามัดไว้ในอคอกนี่แหละคลวยมันก็เลยไม่มาหรือมันมาไม่ถึงบันนี้มาไม่ถึงมันก็ในป่าในดงมันก็เลยมืดมันมืดแล้วบันนี้ก็เลยนอนนอนที่นั้นอันนี้พอผมสอนว่า่าไปคนเดียวจะามาคนเดียวไปไหนมาไหนต้องมีผู้มีเพื่อนให้มีความรักกัน ท่านสอนเพียงผ่มรักกันเท่านั้นแต่ท่านรู้เพียงผมชอบพอใจกันรักกันพี่พี่น้องน้ อ, อยา่าผิดข้องต้องเถียงกันต้องรักกันใครมาพูดอะไรต้องช่วยกันทํากันพูดช่วยกันถ้ามีคนมาซกมาต่อยก็ต้องช่วยกันท่านสอนไปอย่างนั้นพอผมท่านเล่าให้ฟังอันนั้นท่านรู้บันนี้โตผมเองอันนี้พูดแต่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นอันนั้นก็ดีแล้ว ว่าดีดีดีกว่าดีที่สุดดีแล้วท่านสอนแต่มันยังถึงที่สุดไม่ได้ตอนผมมาเจริญสตินี่ผมทิดขึ้นมาวูบเดียวมันจิตใจสำนึกขึ้นมานี่คาว่าหูทิศตาทิ์มันต้องมองเจาะลงไปอย่างนั้นได้ยินแล้วก็ต้องมองคำพูดอันนั้นอันนี้เรืยกวหูทิศตาทิ์ได้ยินแล้วต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์เมื่อคนมีปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้ ไม่ใส่เพียงรูจจร้จำรู้จักเท่านั้นจะพอไม่ใส่อย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นทันวะพอดีผูกป่วยไปแล้วน้องชายมันขึ้นต้นไม้ไม่ได้มันก็เลยนอนอยู่กับต้นไม้นอนพื้นดินควายก็ต้องนอนพื้นดินพี่ชายมันขึ้นต้นไม้ได้พี่ชายขึ้นไปนอนอยู่งามไม้ที่มันพอนอนได้ก็ต้องนอนเกาะอยู่งามไม้นั่นแหละ เสือก็ล้ำมาวะท่างคนบุญนี้แขนคอกระโบยากวะท่นคนบาปนี่แขนฟากระซิ ก, กินวะท่นแขนหมายถึงว่ากอดอยู่ในคอเสือนั่นแหละมามันก็ไม่กินคนมีบุญนะ่ะแต่คนบาปนั้นแขนอยู่ฟ้าคุณมันขยจะกินกูน่นั่นอันนี้พอผมสอนไม่ใช่สอนทันพุ่นให้ฟังล้ำมาล้ำมามาใกล้ๆเข้ามาที่สายมันนอนไม่รู้เออที่สายมันนอนไม่หลับ มันก็ตื่นมันก็ตัวเลาวังน้องทายมันไม่รู้สึกตัวมันนอนหลับพอดีเสือลำมาคนบุญนี้แขนคอกระโบยากคนบาปนี้แขนฝ้ากระสิกินบันนี้มันมาถึงถึงควายกับถึงคนมันก็เลยมาดมดมควายดมคนควายกับคนมันมีบุญมันนั่นมันก็เลยไม่กินพอดีมาถึงที่นั้นมาดมที่นั้นมันเลยแหงนหน้าขึ้นไปข้างบนผู้ที่ทายอยู่ข้างบนมัตกใจ เห็นแสงตาเสือพาดขึ้นไปแล้วมันตกใจมันสะดุดใจก็เลยเผลอสติสติมันไม่มีในบันเน่มันตกใจก็เลยวางงาไม้หล่นลงมาบ้านผมเรียกว่าตกคันว่าตกน่ะอาจจะไม่รู้หล่นลงมาตุ๊บถึงดินเสือกินจ้อยออันนี้พอผมเราให้ฟังให้ลักให้แพงกันความจริงไม่ได้สอนเพียงแค่ลักแพงเท่านั้นคือคนมีบุญนี่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 ความจริงอันศีลธรรมนั้นมันมีอยู่ในจิตใจของคนเราไม่เคยเห็นศีลไม่เคยเห็นธรรมคนนั้นก็เลยไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไปใส่ผมเข้าใจอย่างนี้คนบาปนี่ครับเห็นของใครก็เอาทั้งหมดเลยตะพึ้ตะพือไปเลยอ น, นี่เขาว่าคนบาปมันกินเสือมันกินคือตัวกิเลสมันกินโตโทสะโมหะโลภะมันกินจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันสปปกปรกจิตใจเป็นเป็นมลทิน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 มันสงบอยู่แล้วตัวจิตใจของเราจริงๆนั้นมันก็สะอาดสวางสงบอยู่แล้วตัวที่ไม่สะอาดที่ไม่สว่างที่ไม่สงบมันไม่ใช่เป็นต้นตอของชีวิตมันไม่ใช่เป็นต้นตอของใจมันเป็นอะไรมันรูปเข้ามามันมาตัวครั้งตัวข่าวเท่านั้นเราต้องมองตัวนี้ให้เห็นให้เข้าใจดังนั้นคทว่าเห็นแจ้งรู้จริงนี่มันต้องเห็นว่าชีวิตเราสกรกไหม จิตใจเราตกกบกบไหมมีโทสะโมหะโลภะเข้ามาไหมหรือไม่มีเราต้องเห็นต้องรู้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็พูดได้แต่กด็ดีพูดได้ไมีดีแต่ว่าเอาไปใส้กับเราไม่ได้อันนั้นเรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคําว่าโมฆะแปลว่าใส้ไม่ได้ผู้หญิงก็เหมือนกันใส้ไม่ได้ผู้ชายก็เหมือนกันใส้ไม่ได้ อันนี้ท่านเหลยกว่าคนไม่รู้ว่าภาษาบ้านผมเรียกว่าคนไม่รู้คนอวดดีผมเรียกว่าคนอวดดีมันไม่ใช่มีดีแล้วเอามาพูดให้คนฟังอันนี้แหละท่านทั้งหลายตั้งใจสงนพอดีที่ว่าพูดอวดอุตตริมนุษย์สรคำคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนมันเป็นอับาดปราสิก ค, คำว่าปราสิกนั้นหมายถึงความมืดความไม่รู้ความไม่เข้าใจขาจากความเป็นทิศสุ ทิศูปแปลผู้เห็นภัยเห็นภัยจริงๆเรื่องนี้เรียกว่าเห็นแก้มรู้จริงเข้าใจจริงพวกเราต้องพยายามอย่าให้มันเห็นผิดถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิปัสสนุถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่ากินญาณถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิาาปลเ า, าเราต้องเข้าใจศึกษาให้รู้ให้เข้าใจความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกัน <c oughs> ความสงบแบบหนึ่งสงบแบบคือไม่รู้อันใดอันนั้นเรียกว่าสงบใส่โมหะสงบอยู่นำกับโมหะโทสะโลภะสงบแบบที่ผมพูดให้ฟังในขณะนี้อันนี้มันไม่ใช่เป็นความสงบมันเป็นความหงนแจ้งแต่มันก็สงบสงบแบบใดสงบแบบควมถึงผิดสงบแบบโทสงบปราศจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะ มันสงบแบบนี้มันอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับสาอย่างเดียวสมาธิหมายถึงการตั้งใจทำการทำงานดูจิต ด, ดูใจของเรามันเป็อย่างนั้นเท่าที่ผมได้ให้ขอคิดมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วจึงขออยูุ่ดเฉียนแทนนี้